ก็ขอเริทอนวันนี้หลวงพ่อเปิดท้องสิบโมงครึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้นานๆเพราะว่าเอาตามความสะดวกพอหลวงพ่อเห็นว่าเออช่วงนี้ก็พอที่จะคุยได้สักชั่วโมงนึงนะก็เลยเปิดท้องขึ้นมา จึงช่วงนี้ถ้าคนที่ติดตามหลวงพ่อเนาะก็จะพบว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ส่งเขาเรียกว่าอัพฟไฟล์เก่าๆนะฟไฟการสนทนาทางขับเท้าเนี่ยตั้งแต่ปลายปี64แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงค่อนข้างจะปัจจุบันก็ตัดต่อเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นในเรื่องของธรรมะที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป ก็จะออาขึ้น Youtube ค่อนข้างจะเยอะเนาะก็อาจจะฟังกันไม่ทันฟังกันไม่ทันเพราะว่าธรรมาจริงๆมันก็เยอะเนาะมันไม่ใช่ว่าแค่ของของหลวงพอ่ออ่าอย่างเดียวมีของท่านครูบาอาจารย์อื่นๆเยอะๆมากมายมากมายจริงๆ mm. ก็ก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะฟังของอาจารย์องค์ไหนแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจนะมันเก็ต ถ้าฟังแล้วเก็ดโดนใจก็ให้ติดตามไปเลยท่านใดก็ได้เหมือนหลวงพ่อเนาะสมัยก่อนหลวงพ่อก็เริ่มเรียนธรรมะมาจากไม่รู้อะไรเลยอะไม่รู้สักอย่างมั่วมากแบบมืดมืดไปหมดเรื่องธรรมะเนาะขั้นกรรมฐานขั้นภาวนาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมืดจริงๆแต่ก็พอเริ่มสนใจธรรมะก็ได้กัดติดจดจ่ออยู่กับอ้าเอาละตอนนี้เรา ได้ลองทดลองทำแล้วตามแนววิธีการของหลวงพ่อเทียนของท่านอื่นก็ลองทดลองแล้วแต่ว่ามันมันไม่ไม่ดนใจมันไม่ถูกจริตพอมาเจอการฝึกสติแนวหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวแบบรู้กายเคลื่อนไหวมันถูกสเปคแล้วมันก็ลงใจเลยว่าเออวิธีนี้ง่ายใช้ได้เลยโล่งโปร่งเบาคือมันไม่มันเป็นธรรมชาติ ก็เลยกัดติดจดจอ่อก็คือทำความเพียรตามที่หลวงพ่อเทียนหรือว่าพระพุทธเจา้าท่านสอนในเรื่องสติปัฏฐานสวดนะเรื่องกายานุปัสสนา t h i แหละเดินยืนนั่นนนงนอนูคเหยี่อเคลื่อนไหวก้มใช้หันใช้ไหลขวาก้มเงยคืนน้ำลายห้าปากกระพริบตาเนาะการเข้าห้องน้ำการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการกินการเคี้ยวเอามาฝึกหมดเลย แล้วมันชอบอ่ะเออเมื่อมันชอบมันทำไงได้เนาะมันก็ขยันเนี่ยขยันที่จะรู้รู้กายแต่ใหม่ๆหมมันก็อย่างว่ามันมันก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรเพียงแต่ว่าเออทำแล้วรู้สึกว่ามันมันถูกใจมันพอใจแล้วก็มันมีความสุขมากขึ้นอ่าความทุกข์น้อยลงความคิดที่มันเคยคิดเยอะๆๆมันก็ถูกตัดไปมาเปลี่ยนเป็นรู้มากขึ้น แต่มันก็ยังไม่เกิดปัญญาในช่วงต้นนะก็ได้แต่จะเรียกว่ามันเป็นผลจากการกระทําอ่ะเมื่อกระทํามันก็ให้ผลเมื่อให้ผลเป็นที่พอใจมันก็ถูกใจแน่นอนแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเราสนใจในเรื่องธรรมะแล้วสนใจละเหมือนกับว่ายังไงก็ชอบเรียนธรรมะไปเลยมันชอบไปแล้วไงก็เลยศึกษาทั้งปฏิบัติทั้งฟังทีนี้เวลาฟังเนี่ย คือเริ่มแรกเราก็ฟังในสายงานของหลวงพ่อเทียนน่ะนะฟังพอต่อมาเราก็เริ่มฟังคนอื่นบ้างสมัยนั้นอินเทอร์เนต็ตอะไรมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่พอจะมีอยู่บ้างลานทําสมัยก่อนมีอินเทอร์เนต็ตฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็เฮ้ยท่านพูดอย่างนี้โดนใจมากเลยเออใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่ายอมรับว่าโอ้แบบเนี้ยใช่แล้วใช่แล้วนี่แสดงว่านี่ได้รับการต่อยอดอะระดับหนึ่ง แล้วก็กยังปฏิบัติอยู่แล้วก็ฟังองนู้นองค์นี้บ้างก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเนาะถ้าเราฟังอาจารย์องค์ไหนเป็นที่ถูกใจนะลงใจก็กัติดจดจอดไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นหลนทางที่เป็นที่พึ่งของเราเราสามารถเดินทางด้วยตนเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นที่เกาะไปก่อนนะโดยท่านบอกท่านชี้ ก็ศึกษามาเรื่อยๆอ่ะนะจนกระทั่งปัญญาก็เริ่มเกิดละเพราะว่าในขั้นต่อๆมาเราก็ฟังในเรื่องของปัญญาว่า อ, อ, อะไรละ่ะคือปัญญาในทางธรรมะปัญญาในทางโลกเมื่อก่อนเราก็ว่าบางอย่างเราก็มีปัญญาแล้วอ่ะแต่ปัญญาในทางโลกมันเรื่องของเรื่องของการทรมาหากินเนาะประกอบอาชีพการงานก็ทาไปมันก็ เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ไม่เป็นหนทางของการพ้นทุกข์ทีนี้ปัญญาในทางธรรมะเหรมันคืออะไรอ่ะพอได้ยินได้ฟังท่านบอกว่าปัญญาในทางธรรมะคือเห็นตามความเป็นจริงเนาะเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรก็คือเห็นสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยมันมีลักษณะสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอ่าดีตรงนี้ ได้คํานิยามของปัญญาขึ้นมาคือเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายนะร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสังขารไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นสังขารเป็นทุกข์แล้วก็มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเอาละทีนี้เราก็รู้จักสภาวะแล้วนี่นะปฏิบัติมาก็นานแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้จักสภาวะแล้วเนี่ว่าเออ ในกายกายเป็นอย่างไรในกายเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรในจิตเป็นอย่างไรก็เริ่มรู้จักเริ่มรู้จักก็สังเกตโดยอาศัยคําชี้บอกของครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นไหมล่ะสภาวะของกายของจิตสิ่งที่เกิดในกายสิ่งที่เกิดในจิตอ่ะมันคงที่ไหมล่ะอ่านี่ถามเลยว่ามีมันคงที่ไหมล่ะทีนี้เมื่อรู้จักแล้วแล้วก็ผ่านการพิจารณ ได้พบได้เห็นแล้วเนี่ยว่าเออใช่มันไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่คงเส้นคงวาคือมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมีแต่ความเปลี่ยนแปลงพูดถึงร่างกายอย่างเนี้ยท่านบอกว่าร่างกายมันเอเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยนอนเดี๋ยวยืนแค่เนี้ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนี่ถ้ามองมันแบบหยาบหยามอง่ายง่ายก็คือว่า การเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นเดินอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วจากเดินมาเป็นนอนอ่ะก็เปลี่ยนแล้วจากนอนมาเป็นยืนมาเป็นนั่งมันก็วนๆๆอ๋อนี่ไงมันก็เปลี่ยนแล้วไงอันนี้แบบมองกันง่ายๆเลยนะว่าอะไรมันก็ไม่คงที่ถ้ามันคงที่ก็แสดงว่าถ้าเดินมันก็ต้องเดินไม่หยุดนี่เนาะเดินข้างฟ้าไปเลยข้งวันหลายปีหลายเดือนเดินอย่างเดียวไม่มีการหยุดแต่ความจริงเป็นไงอ่ะมันก็เปลี่ยน อ๋อเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เออจริงๆริไอ้ของพวกนี้เนาะมันมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันมีให้รู้เห็นตั้งนานแต่ว่าถ้าไม่มีคนชี้อะมันจะรู้เรื่องไหมล่ะก็ปรากฏว่าเออเนาะต้องมีคนชี้บอกความจริงให้เราเห็นตามถ้าเห็นตามได้มันก็เริ่มมีปัญญาทีละเล็กทีละน้อยทีนี้พูดถึงเรื่องในกายเนี่ยเช่นในกายเนี่ยอะไรม้างที่เกิดขึ้นในกายเนาะ ก็สังเกตมันการเคลื่อนไหวการกระดุกกระดิกการอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงมันเป็นภาษาธรรมะนะเขาบอกว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแต่รวมๆแล้วมันก็คือเราแหละในตัวเรานี่แหละเออพูดง่ายๆเลยคือรู้ตัวเรานี่แหละถ้ารู้ตัวเรามันก็ครอบคลุมดีเหมือนกันนะคือรู้ตัวเราก็คืออะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในตัวเราอะเ อ, อทั้งตัวเลยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ก็ถูกต้องหมดเลยอาการทางจิตความรู้สึก <S <S นึกคิดอารมณ์<า>มันก็เปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่แล้วจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนไหมล่ะก็เห็นง่ายๆอยู่ว่ามันเปลี่ยนก็เลยจับทางได้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมันก็ต้องหมดไปปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปปรากฏขึ้นแล้วหมดไปไม่มีอะไรเลยที่ปรากฏแล้วไม่หมดอ๋อมาเป็นอย่างนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถามว่ามันมันเป็นเองบังคับได้ไหมใครสั่งไหมอ่าได้ผ่านการพิสูจน์ปรากฏว่าไม่มีใครสั่งมันเป็นเองหมดเลยก็เลยเกิดปัญญาในทางจิตใจขึ้นมาว่าโอ้ไอของที่มันมีอยู่แล้วนี่นะมันก็คืออย่างนี้แหละแต่ว่าผู้รู้พบมาแล้วก็เลยมาบอกให้เราเนี่ยมองตามเห็นตามว่ามันเป็นอย่างนั้น จนกระทั่งว่าให้มันเกิดปัญญาก็คือยอมรับความจริงได้เมื่อก่อนปัญญาไม่มีเนาะมีแต่ปัญญาทางโลกไม่เคยรู้จักในสิ่งที่มีพอรู้จักสิ่งที่มีแล้วเกิดปัญญามันก็ยอมรับได้เรื่อยๆสิเนาะว่าเออร่างกายเวลามันเจ็บป่วยมันไม่สบายใจมันยอมรับได้แล้วว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นอาการทางจิตใช่ไหม ออมีความคิดคิดมากคิดน้อยมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความวิตกกังวลบ้างเอามันก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาก็เลยใจไม่รังเกียจใจมันยอมรับยอมรับที่จะเห็นความจริงก็หมายความว่ า, วาเอออะไรเกิดขึ้นในกายก็เพียนเหมือนกับว่าเพียนรู้มันชอบใจชอบใจที่จะดูเมื่อก่อนในะรังเกียจที่จะดูจะหนีจะหลบ แต่พอมันมันมีปัญญาเนี่ยมันมันชอบที่จะดูที่จะเรียนรู้จะเหน็นนั้นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเออดีเหมือนกันได้เห็นฮได้เห็นทุกได้เห็นอาการเวลามันโกรธขึ้นมาเออดีเหมือนกันได้รู้จักความโกรธอเห็นไหมเวลาโมโหหรือว่าเวลามีความสุขมีความอะไรก็แล้วแต่มองในแง่ดีหมดเลยทําไมมองในแง่ดีเพราะว่ามันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นธรรมะ หรือจะเรียกว่าเป็นพระธรรมที่กำลังแสดงให้เห็นอยู่เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติน ะ, ะธรรมชาติเขาแสดงให้ดูเขามาให้ดูไงก็ดูสิเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งให้ดูอยู่แล้วจะไปปิดหูปิดตามไม่ต้องดูอะไรแล้วเกิดมาทำไมใช่ไมเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในกายก็รับรู้ดูรับทราบแล้วก็เห็นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เมื่อเพียรมากๆใจมันก็ยอมรับไปได้เรื่อยๆแหละ ย อ, ยอมรับคือไม่ลังเกียจไม่ผรักไสตรงนีใจมันก็จะเป็นกลางมากขึ้นเห็นไหมปัญญามันก็พัฒนามาเรื่อยๆเล ย, เยหลวงพ่อยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็คือประกอบนะคืออาจจะมีบางคนถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราฟังไม่ตลอดเนี่ยเช่นเราอาจจะเคยฟังว่าเออต้องต้องทำจิตให้ส ง, งบนะให้ส ง, งบทีนี้บางคนเข้าใจว่าคาว่าส ง, งบคือจิตต้องนิ่ง จิตต้องเฉยจิตต้องไม่คิดอะไรเนี่ยอันนี้คือความเข้าใจของขอ ง, ของผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆไงเพราะว่าเราก็ตีความตามที่เราตีเนี่ยคำว่าสงบคืออะไรสงบก็คือมันสงบเงียบเหมือนกับว่าไม่มีลมพัดมีแต่ลมนิ่งใบไม้ก็นิ่งอะไรก็นิ่งน้ําก็นิ่งเนีเรียกว่าสงบทีนี้พอตีความคําว่าสงบเสร็จเราก็เอออยากให้ให้ใจเนี่ยหมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจเลยให้มันนิ่งให้มันสงบเงียบ ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ความรู้สึกว่าดีมีความสุขพอเข้าใจแบบนี้เสร็จก็พยายามที่จะทำจิตให้สงบโดยบังคับบ้างโดยบริกรรมบ้างโดยมั่วไปหมดเลยเพราะไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจทีนี้บางครั้งมันก็ทำได้บางครั้งมันก็ทำไม่ได้ไอ้ครั้นที่ทำได้มันก็ติดใจ ย, ยินดีนะพอใจไอ้ครั้นทาไม่ได้มันก็หงุดหงิดยิ่งคับแขนใจยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งหาความสงบไม่ได้ ตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องของความส ง, งบแต่ความส ง, งบที่ถูกจ้องอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของของจิตหรือว่าเป็นเรื่องของใจที่มีความตั้งมั่นหมายความว่าจิตเนี่ยหรือว่าใจนี่นะมันตั้งมั่นมันไม่ไหลไปไ ป, ไปวุ่นวายหรือว่าไม่ไหลไปติดไปยึดกับอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกจิตรู้หรือว่าถูกใจรู้นี่แหละ อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่ใจเนี่ยใจหรือว่าจิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้อยู่โดยที่ไม่บน่นไม่พูดไม่โวยวายไม่อะไรทั้งอย่างเดียว<ๆ><ๆ>นะก็ะเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบตั้งมั่นแต่ถ้าไม่สงบนะไม่สงบตั้งมั่นก็คือโวยวายอะวยวายบอกท ำ, องงทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทาไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่า ง, งนี้คือมันมีแต่จะทำไมทาไม ไอเนี่ยไอยิ่งทำไมไอยิ่งยิ่งถามว่าทำไมทำไมเนี่ยตัวเนี้เป็นความวุ่นวายเพราะว่ามันอยากได้อยากมีอยากเป็นให้ให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของนั่นแหละพอไม่ได้มันก็ขับแค้นใจขับแค้นใจก็ยิ่งทุกข์แต่ว่าถ้าเข้าใจเรื่องความสงบก็คือว่าอะไรก็ได้เป็นอารมณ์อะไรก็ได้เสียงจะดังเสียงจะไม่ดังนะคิดมากคิดน้อยก็ไม่สาคัญไม่เกี่ยว จะเจ็บจะป่วยจะไม่ป่วยก็ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าจิตหรือใจเนี่ยได้แต่รับทราบอาการเหล่านั้นได้แต่รับทราบโดยที่ไม่เ อ, อะะวอยไไม่ไมวกวักไม่อะไรทั้งหมดเลยนะคุกอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันจิตมันปรุงแต่งได้ใช่ไหมมันมีอาการวอยไวขึ้นมาแต่ทีนี้มันก็ต้องมีปัญญารู้จักว่าไออาการวอยไวเนี่ยก็คือจิตคิดนั่นแหละที่มันวอย แต่ไอจิตที่มันตั้งมั่นในจิตรู้เนี่ยมันไม่ได้ไวววายด้วยเออเพราะฉะนั้นเมื่อมันวววายมันบ่นก็การวววายการบ่นอันนั้นทนะั้งมันเป็นเองอ่ะเราสั่งไม่ได้ไงก็ได้แต่รับทราบรับรู้มันมันก็ผ่านไป อ, อ่ะนะั้นอ่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจถูกเนาะถ้าเข้าใจถูกการปฏิบัติถูกแล้วมันก็จะง่ายไปหมดเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสู้กับอะไรหรือเพื่อจะทําอะไร เพียงแต่ว่าเออให้เข้าใจหลักของมันว่าเออให้รับรู้รับทราบไปนะนอกจิตนอกใจมันไม่สงบก็เป็นเรื่องของมันส่วนจิตหรือใจเนี่ยมันก็สงบตั้งมั่นก็เออมันก็เป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันมีอยู่อ่ะเออถ้าเข้าใจถูกก็คือมันมันก็เป็นของมันอยู่แล้วคือมันสงบตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นผู้รู้ไปแต่ว่าไอ้ตัวเราเองอ่ะที่ไม่เข้าใจอ่ะก็เลยพยายามจะ แทรกแซงอารมณ์นะไปจัดการเรื่องอาการเรื่องอารมณ์ทั้งหมดไปแทรกแซงมันอย่างนั้นก็เลยปฏิบัติมันก็เรื่อนช้าไปแต่ว่าถ้าฟังธรรมะเนี่ยเราได้ฟังจากผู้รู้จากผู้ที่บอกเขาบอกว่าเออจิตสงบคือเป็นอย่างนี้นะคือจิตรู้จิต ด, ดูนะไม่เข้าไปเป็นน ะ, อ, ะอย่างเงี้ยเออมันก็เข้าใจแต่ใหม่ๆอ่ะจิตอาจจะยังยอมรับไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปเนาะสังเกตไปว่าเออมันมีอาการยอมรับได้ไหม ถ้ามันยังยอมรับไม่ได้ก็รู้ว่ามันยังยอมรับไม่ได้ <S <s <uk ur> เห็นไหมก็ใช้หลักรู้อีกรู้ว่าอ๋อมันยังไม่ยอมไว้มันยังผักใสอยู่ก็รู้อีกไอ้ตรงรู้นะั่นแหละนั่นแหละตัวนี้แหละคือของจรงิงนะที่มันรู้ว่าผักใสก็รู้ไม่ผักใสก็รู้แล้วก็ต่อมาก็มันรู้อย่างเดียวเออไอรู้อย่างเดียวเนี่ยไอรู้อย่างนี้แหละนั่นแหละตัวส ง, งบที่แท้จรงิงอะแต่นอกนั้นเป็นความวุ่นวายก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรอันนี้หลวงพ่อก็ชี้ถึง จากประสบการณ์เริ่มต้นจากการปฏิบัติแล้วก็มันก็พัฒนาในทางสติสมาธิปัญญามาตามลำดับนะมาตามลาดับเอาละสมมติว่าพวกเราที่อยู่ในห้องเนาะปฏิบัติมาถึงขั้นถึงขั้นรู้ถึงขั้นรู้อารมณ์ถึงขั้นรู้อะไรต่างๆมากมายแล้วเนี่ยโยมลองดูนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากนะ แน่นอนอ่ะยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ยิ่งฟังคนอื่นเยอะก็ยิ่งรู้อ่ายิ่งปฏิบัติยิ่งก็ยิ่งรู้ไปหมดอ่ะแต่ทีนี้ไอ้จุดตรงนี้คนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าจริงจริงอ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านสอนให้ปล่อยวางนะให้ปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างเลยไม่ยึดถือแต่เรานักปฏิบัติเนี่ย มักจะยึดถือในความเก่งในความสามารถในผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าเราเนี่ยเรามีความรู้เราเข้าใจธรรมะเราอ่ะได้รับผลคือเราอ่ะทุกน้อยลงแล้วเราอ่ะจะพ้นทุกอยู่แล้วหรือถึงขั้นที่ว่าเราพ้นทุกแล้ว ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นเราตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มีเราเข้าไปไปรับผลน่ะไปเสวยผลน่ะตรงเนี้ยคนเขามองเหมือนกับมองกันไม่เห็นเพราะว่าที่มองไม่เห็นก็เพราะว่าอะไรอ่ะที่เขาเรียกว่าอาวิชาก็ได้คือมันบังความจริงเออไปบังความจริงความจริงคือไม่มีเรานะมีแต่สาภาพธรรมะไม่มีเราเลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงแล้วมีแต่สังขาร สังขารเป็นทุกข์เอ้ยสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงเป็นอนั pareil. ตตาทําทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกรู้หรือจะเป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นอวิชชาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดมันเป็นอนัตตาทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่มีเราเลยแต่ด้วยความไม่รู้ก็เลยหลงไปว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้นะ ได้ความรู้เราเนี่ยรู้แจ้งในเรื่องของกฎใจลักษ์เราเนี่ยรู้ธรรมะเราเนี่ยพ้นทุกข์แล้วเราถึงนิพพานแล้วเห็นไหมละ่ะมันยังมีเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีเราอยู่นี่เท่ากับว่ายังไม่รอบรู้ในกองสังขารยังรอบรู้ยังรู้ไม่หมดจนกว่าจะมีคนมาชี้บอกว่าโอ้ยังมีตัวตนอยู่เลยยังมีอัตตาอยู่เลย ความรู้ที่พูดมามันก็พูดออกมามาจากอัตตานะมันมาออกมาออกมาจากอัตตาหรือความรู้ที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากใจที่เป็นใจที่บริสุทธิ์เพราะมันยังเป็นตัวตนเป็นผู้รู้อยู่แต่ทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้บอกเท่าไหร่ก็จะเข้าใจไม่ได้ชี้ให้ดูเท่าไหร่ก็ชี้เขาก็ไม่เห็น เห็นไหมเอวิชามันร้ายกาศขนาดนั้นน่ะขนาดผู้รู้มาชี้บอกว่านี่นะยังมีอัตตายังมีตัวตนนะมองไม่เห็นแล้วก็จะบอกว่าไหนอัตตาไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นตัวตนไม่มีพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่ามีแต่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาจริงหรอกแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่กําลังเถียงนั่นแหละนั่นแหละคืออัตตาแต่แต่พูดได้เหมือนตําราเป๊ะเลยบอกอัตตาไม่มีไม่มี อันนั้นน่ยเขาจำเอาว่ามันไม่มีถูกต้องแล้วไงมันไม่มีไม่มีอัตตาแต่พฤติกรรมอ่ะไม่เห็นอัตตาพฤติกรรมมันแสดงออกทางไหนก็คือเถียงไงเถียงใครเถียงอ่ะมองดีๆ ด, ดีคนอื่นยังรู้เลยว่าไอตัวนั้นยังมีอัตตาเรายังเถียงไม่หยุดเลยคนอื่นยังเห็นเลยนะอะถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาเข้าใจเรื่องอนัตตาพอเราบอกว่าเราไม่มีอนัตรเราไม่มีอัตตาเราไม่มีแล้วเราเข้าใจหมดแล้วเราวางหมดแล้ว คนอื่นก็ยังเห็นเลยว่ายังมีตัวเราแต่เจ้าตัวไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองอะยังยึดถือความรู้ยังยึดถือความเก่งยังยึดถือความสามารถอยู่ทีนี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ยังไงมันก็ไม่พ้นทุกเพราะว่ามันยังไม่รู้รอบในกองสังขารยังดับอวิชชาไม่ได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์ชี้ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยนะเห็นไหความรู้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเรารู้อยู่เลย เราอ่ะเป็นผู้รู้เรารู้นั่นรู้รนี่เราเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นยังมีเราเป็นผู้รู้ยังยังไม่ผ่านมันต้องผ่านผู้รู้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะพ้นอัตตาได้ถ้าคนฟังเป็นก็พิจารณาอย่างแยบคายอ๋อไออย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้เรารู้แต่ถ้ารู้เราโอ้เราเป็นสิ่งถูกรู้ เรานมันคือสังขารนี่เรามันคือขันห่านี่เมื่อเราถูกรู้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเขาเรียกว่ารู้รอบรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารว่าเราเนี่ยจริงๆมันคือขนันห่าแม้กระทั่งที่เรียกว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยอันนี้มันก็อยู่จัดอยู่ในขันห่าทั้งหมดเลยเราเป็นผู้มีปัญญามากในการรู้แจ้งในธรรมะมันก็ยังเป็นขันหา่ายังเกิดแก่เจ็บตายเลยเ อ, อมันก็ยังเป็นสังขาร แต่ตรงนี้ยคนเขากลับมารู้ตัวเองไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้ารู้ตัวเองเป็นนะโอ้ตัวเองตัวเราเป็นผู้รู้อ๋อมันเป็นสังขารเนี่ยแค่เนี้ยดับสังขารได้แล้วเห็นไหมตัวเราเป็นผู้เก่งอ๋อผู้เก่งมันก็น่าเปื่อยผุพังคือตายเหมือนกันอ่ะเออมันก็เป็นสังขารเหมือนกันอ๋อเมื่อก่อนไม่เห็นตรงนี้นี่ไม่เห็นผู้เก่งไม่เห็นผู้รู้มันก็เลยกลายเป็นเราเป็นผู้เก่งเราเป็นผู้รู้ เราเป็นผู้ไม่รู้เราเป็นผู้ค้นทุกมันมีเรามีเราแต่ถ้าเห็นเราขึ้นมารู้เราขึ้นมามันก็ดับดับความหลงผิดได้ไงเมื่อดับความหลงผิดได้ก็คือมีแต่รู้แจ้งรู้แจ้งก็คือรู้แจ้งในกองสังขารแต่ก็ไม่มีผู้รู้เหนือจากนี้อีกแล้วเพราะผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันอยู่แค่ตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยพ้นจากตัวเราไปแล้วมันไม่มีใครเป็นผู้รู้แล้วนี่ใช่ไหม ä? มันมีแต่ธาตุรู้มีแต่ธรรมชาติรู้อะอ ซึ่งเหนือเหนือขึ้นไปจากเราแล้วแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวก็มีเราเป็นผู้รู้อีกมีเราเป็นผู้รู้ธาตุรู้อีกเอา้าก็ยังไม่พ้นเราอีกเพราะฉะนั้นเห็นเราแท้ๆเห็นว่าเรายังมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเป็นหลังคาโอเคนี้พอคือรู้เราแค่เนี้ยก็จบแล้วแค่รู้เราเราไม่ต้องไปไปรู้มากกว่านี้อีกแล้วถ้าเราไปรู้มากกว่านี้มันก็มีเราอีกอถ้ามีเราอีกก็ให้รู้เราเสียอีกเออเงี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ย ราะงั้นน่ยตรงที่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เป็นประจําว่าไอ้เรื่องเรารู้กับรู้เราตรงนี้แหละมันเป็นสองสองด้านอยู่ถ้ามัวแต่เราเป็นเรารู้อ่มันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันยังมีกิเลสเยอะเข้าข้างตัวเองพอรู้อะไรก็เข้าข้างตัวเองหมดแล้วก็ยึดยึดความรู้ยึดหมดเลยอ่ะแต่ถ้ารู้เรามันสิ้นยึดเพราะว่าผลไปจากเรามันไม่ไม่มีใครละเออใครจะมายึดละ่ะใช่ไหม ตรงรอยต่อระหว่างรู้เรากับเรารู้ตรงเนี้โยมต้องฟังให้เข้าใจแนะต้องฟังให้ดีๆเลยมันจะหลุดพ้นได้ตรงนี้แหละมันไม่ได้หลุดพ้นตรงไหนหรอกหลกุดพ้นตรงที่รู้เราเนี่ยและทําไมหลวงพ่อถึงเน้นบ่อยๆมามีการสาธิตมีการยกตัวอย่างให้รู้เราเ อ, อตัวอย่างก็มีมากมายตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นแค่ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจเป็นปัจจิตังว่าคําว่ารู้เราเนี่ยคือแบบนี้ เพราะการอธิบายให้รู้เราเนี่ยมันอธิบายลําบากก็เลยยกตัวอย่างประกอบเป็นแค่บางเคสบางเรื่องขึ้นมานะแต่เมื่อเข้าใจว่ารู้เราแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปเจริญเราเองก็คือให้รู้บ่อยๆออไปฝึกแบบยังไงก็ได้แต่ให้มันกลับมารู้เรานะแล้วก็จะเข้าใจเป็นปัจจตังได้เลยว่าไอ้รู้เราเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้จริงเนะ ใช่ไหมเออคนทุกได้จริงก็จากที่หลวงพ่อได้คุยทางขับเขาก็ดีทางอะไรก็ดีนะมีหลายคนที่เ อ, อ่อรู้เขาเรียกว่ารู้ตัวเองเป็นแล้วแล้วก็บอกบอกว่าพอรู้ตัวเองเป็นปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโล่งไปหมดเลยมันเบาอ่ะมันไม่เหมือนก่อนแล้วเมื่อก่อนยังมีหนักยังมีเพราะว่ายังมีเราไงมีเราเป็นผู้ปฏิบัติมันหนักแต่พอมารู้เราก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีใครปฏิบัติ อ่ามแต่ก็มีขันห้าที่เดินที่ที่ที่นั่งที่นอนเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้นอนไม่ใช่เราเป็นผู้นั่งไม่ใช่เราเป็นผู้ยืนคือมันไม่เป็นเราไปแล้วแต่เห็นอยู่ว่าสิ่งนั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอิริยาบทต่างๆก็ยังมีมีมีอยู่เหมือนเดิมแต่เห็นถูกต้องเลยว่าอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกเห็นอ่ะเออเหมือนกับ อารมณ์หรืออาการอื่นๆที่เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งถูกเห็นเนี่ยมันเต็มโลกเต็มเมืองไปหมดอเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยที่ปรากฏปรากฏให้รับรู้ทางหูทางตาทางจามูกทางเลี้ยทางกายทางใจเนี่ยรวมถึงไอ้ตัวที่เรียกว่าตัวเราที่เดินที่นั่งเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้ที่เห็นสิ่งพวกนี้ไม่ปรากฏตัวผู้ที่เห็นเนี่ยไม่มีไม่มีผู้เห็น แต่มีแต่การเห็นมีแต่การเห็นร่างกายมันเดินจิตใจมันคิดมันนึกมีแต่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นตรงนี้มันเป็นธรรมะขั้นสูงแต่ก็ต้องถ้าคนไหนฟังเข้าใจมีปัญญานะมันพ้นทุกข์ได้จริงอ่ะพ้นทุกข์ในปัจจุบันด้วยไม่เนิ่นช้าเลยพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ตอนนี้กันเลยอ่ะถ้าเห็นถูกต้องแบบนี้ว่าโอ้มีแต่สิ่งปรากฏ แต่ไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ดูเออไม่มีผู้ดูไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ผู้มองมันไม่มีหมดไม่มีผู้ไม่มีผู้แต่ทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติมันติดอยู่คือยังมีผู้คือยังมีเราเป็นผู้ดูมีเราเป็นผู้มองมีเราเป็นผู้สารพัดผู้เนาะมีเราเป็นผู้เข้าใจมีเราเป็นผู้รู้แจ้ง มีเราเป็นผู้รู้สังขารมีผู้มีเราเป็นผู้รู้วิสังขารมันมีเราไปหมดเลยอะเออแต่จริงไอ้สังขารหรือวิสังขารมันก็อยู่ของมันอยู่ดีดีอยู่แล้วอะนะแต่มีเราอะไปมองมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีเราอยู่มันไม่หลุดพ้นเลยทีอ่า้างั้นถ้าหลุดพ้นได้ก็คือรู้เหมือนกับว่าจะหลุดพ้นได้ก็คือต้องรู้ไอ้ตัวที่มองเนี่ยรู้ไอ้ตัวที่ดูอ่ะ เออมาดูอีกมามารู้อีกทีนึงว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้ดูยังมีเราเป็นผู้มองยังมีเราเป็นผู้พิจารณายังมีเราเป็นผู้โยนนิสโสมะนสิการยังมีเรายังมีเราเออให้เห็นตรงเนี้ยถ้าเห็นตรงนี้มันหลุดหลุดพน้นในปัจจุบันเลยทีนี้เอาเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ให้ถามเนาะจนกว่าหลวงพ่อจะคุยกันจนถึงสักสิบเอ็ดโมงคึ่ง สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเราอยากสนทนาธรรมกับพ่อหลวงพ่อในประเด็นที่ได้อธิบายมาเนี่ยว่าไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรน ะ, ะยกมือขึ้นมาได้